ก็พยายามพยายามให้รู้ตัวตื่นตัวไว้นะ่า <c oughs> ไปหลับตาหลับตาเราจะเพลินไปในความสงบวิธีการเคลื่อนไหววันนี้เราไม่ต้องการความสงบแต่ต้องการการตื่นรูนะ้เพราะความสงบที่ด้ไม่ตื่นรู้มันจะกลายเป็นโมหะ ซึ่งจะทำให้เราไม่เกิดวิปัสนาญาณที่ชัดเจนอย่างทำแบบสร้างจังหวะให้ชัดๆตื่นตัวเราพยายามที่จะใช้ความรู้สึกสัมผัสมากกว่าการใช้สัญญาลำดับภาพอะไรต่างเราใช้สัญญาละดับภาพลำดับ นึกคิดไปตามความสงบเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเป็นอุปเปขาเวทนาซึ่งมันไม่ใช่เป็นอุปเปขาสัมพุทธชงนั้นเองเราไม่เข้าใจเรื่องภาวนาแล้วก็หลงเอาความสงบมาเป็นตัวสมาธิ แต่ความสงบแบบไม่รู้เขาเรียกอุเปิขาวเวทนาแต่ความสงบแบบรู้เนื้อรู้ตัวตื่นเนื้อตื่นตัวเป็นอุเปิขาสัมพุทธชงซึ่งตรงนี้ถ้าเราแยกไม่ออกเราก็จะจิตเราจะไม่ตื่นเพราะนั้นในวิธีการหลวงพ่อเทียนจะใช้ระบบสัมผัสนะคือเอาความรู้สึกที่ รู้เนื้อรู้ตัวที่เรียกว่าสัมปชัญญะเนี่ยสัมผัสลงไปในในร่างกายของเราเนี่ยสัมผัสได้เท่าไหร่เช่นเวลาเรานั่งเนี่ยทัวร่างกายของเราเราไม่ต้องใช้เวลาลําดับคิดจดจําในอาการต่างๆแต่เราใช้ความรู้สึกสัมผัสลงไปในขณะนั่งเนี่ยร่างกายของเราหนักตรงไหนเบาตรงไหนหายใจ ลึกหรือตื้นหายใจโล่งหรือติดในส่วนร่างกายที่เป็นแขนขาไหล่หลังสำรวจความรู้สึกที่สัมผัสได้เนี่ย <c oughs> โดยที่ไม่ต้องจินตนาการเป็นภาพขึ้นมาถ้าจินบริ ก, ราการเป็นภาพขึ้นมาก็เป็นสัญญาแต่ตัวรู้สึกตัวมันเป็นความรู้สึกสัมผัส ที่เราสัมผัสได้เลยเช่นเวลารู้สึกหนักก็คือหนักเวลาเราเคลื่อนไหวยกตัวขึ้นรู้สึกเบาก็คือเบาที่เราสัมผัสได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องอจินตนาการอันนี้คือตัวที่เป็ น, นชันชว่าปัญชาณาติขจันโตวาขจามิติปัญชาาติเพราะว่ารู้ชัดชัดนะฮะหรือ นิสินโนวานิสินโนมหิติประชานาติคือรู้ชัดๆขณะนี้เรานั่งรู้ชัดลงไปขณะนั่งเนี่ยความรู้สึกนั่งมันมีอะไรบ้างเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนหนักตรงไหนเบาตรงไหนเหน็บตรงไหนชาตรงไหนถ้ามันไม่ชัดเราก็ขยับดูมันพอขยับดูปั๊บเราก็จะเห็นอาการเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกขอ ง, ของความหนักความเบา คือรู้เท่าที่มันมีเขาเรียกว่าศักแต่ว่ารู้อ่ะแต่ส่วนใหญ่เราไปเกินรู้เขาเรารู้เกินเกินที่มันจะรู้เกินที่ความรู้สึกตัวเราจะไปถึงเราก็ใช้ระบบคิดจินตนาการขึ้นมาแทนตัวนั้นแหละมันคือตัวสมถะที่เป็นไปในทางที่อุเปกขาวเวทนา หมายควาจิตมันตั้งอยู่ปัจจุบันก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงแต่มันเป็นสัญญาที่เราใช้สัญญาสัมผัสไม่ใช้ตัวสติสัมผัสเนี่ยแต่ความจริงสัญญากับสติเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าสัญญาในขันห้าเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นที่ละขณะขณะแต่ตัวสัญญาที่เป็นสติเป็นสัญญาที่คงที่ มีมาแต่แตเกิดแต่สัญญาที่เกิดจากขัน5้าเป็นสัญญาที่รับช่วงต่อเวทนามันเกิดเป็นช่วงอะไรที่มากระทบกายก็เกิดสัญญาทางจิตด้วยนี่เรียกว่าสัญญาที่ต่อจากเวทนาแต่ส่วนสัญญาที่เป็นสติเนี่ยเป็นสัญญาที่ต่อจาก พัฒนาจากสัญชาตญาณให้เป็นปัญญาสติตัวนี้จึงเปลี่ยนตัวสัญชาตญาณให้เป็นปัญญายาเ น, นี่นเองเขาจึงเรียกทิละสัญญาสติความหมายของสติคือทีละสัญญาคือความรู้ศึกสหมายที่มันคงที่หรือมั่นคงไม่ใช่เกิดทีละขณะสังเกตให้ดีสํารวจลงไปไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่องลึก <c oughs> แต่เป็นเรื่องเราต้องตั้งใจสังเกตนะเาเรานั่งนิ่งๆเนี่ยเราสังเกตดูว่าร่างกายเราเป็นไงร่างกายเราจะค้อมต่ำลงหายใจเราจะติดขัดสั้นนะพอถเรายืดตัวขึ้นหายใจเราจะล่งและลึกถนะ้าส่ขันห้าก็จะทำงานได้สะดวกถ้าสี่ท่าลมก็จะเข้าไปได้ลึกทายละเอียด เอาซิเย็นเข้าไปลึกร่างกายก็จะปลงแต่ถ้านั่งโดยที่นิ่งๆนานๆหลังเราจะค่อมคลอมลงค่อมลงทานลมพ่เราจะติดขัดเข้าไปได้ไปเต็มที่อาการง่วงเหงาเศร้าซึมก็จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างเงี้ยวันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราไม่เคยเข้าไปใช้ธรรมวิจยะแต่เราจะไปใช้คำว่า วิตกวิจารหรือปีติซึ่งมันเป็นในองค์ฌานแต่ธรรมวิเชยะมันเป็นไปนในองค์ยานของสัมโพชฌงค์ซึ่งต่างกันนะธรรมวิเชยะหมายถึงตัวปรับขยับขยืขย่นเหมือนเราปรับโฟกัสของกล้องถ่ายรูปปรับเข้าปรับออกปรับชัดปรับไม่ชัดอยู่ตลอดเวลาภาพถึงจะออกมาได้ชัดและสวยในแง่ของวิปัสนาญาณมันเหมือนเลนกล้อง เลนส์ซูมกล้องเนี่ยที่มันเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นคนไหนสติปัญญาดีก็หมายความว่ามีค่าเลนส์กล้องที่มีความละเอียดสูงจะชัดเหมือนกับเห็นภาพจริงแต่คนไหนสติปัญญาที่ไม่ได้ฝึกฝนมาก็จะภาพเลนส์กล้องก็จะความชัดก็จะต่ำภาพก็จะมัวและเบลอหรือภาพไม่ชัดซึ่งทางรู ป, ประธรรมเนี่ยมันก็จำลองไปจากนามธทํมเท่านั้ น, นที่มันสร้างขึ้นมา แต่เราไม่รู้จักทั้งสองมิติชตัดเจนเราก็เลยโอปัญิกูหรือโยงเข้าหากันไม่ได้เชื่อมเข้าหากันไม่ติดเราก็นึกคิดตึกตองเดาไปตามคำอธิบายของครูบาอาจารย์นะไม่ได้สัมผัสของจริงที่มีอยู่จริงๆ เพรนัการภาวนาไม่ใช่การมานั่งสลืมสลือสงบไปเป็นพักๆไม่ใช่แต่เป็นการตื่นตัวการรู้ตัวการรู้เนื้อรู้ตัวตาเห็นหูฟังชัดๆร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงเคร่งก็สัม ผ, สมผัสมันชัดๆโดยที่ไม่หลบไม่เลี่ยงไม่กลบเกลื่อนแต่สัมผัสเข้าไปเพราะฉะนั้นชาวพูทไทยเราก็เลยไปติดแค่ สมถะแบบพราหมณ์แบบฮินดู 90% เซเพราะชินติดมาอย่างนั้นหลายศตวรรษยากที่จะแก้แต่ถ้าเรามาในนามของนักศึกษานี่เราทำทุกอย่างเพื่อการศึกษาไม่ใช่จะเสพสวยหรือเอาแต่การศึกษาถึงข้อแท้จริงต่างๆที่มันปรากฏมีอยู่ในกายในใจของเราเนี่ให้ชัดเจนไว้เสมอนะเพราะใน ที่เรสวดเมื่อกี้เนี่ยท่านใช้ประชานาติในหมดว่าได้อิริบทสี่ขันตัวข้าช่ า, ชามิ ต, ปาาติประชานาติประชานาติแปลว่ารู้ลงไปชัดๆไม่ใช่นึกชัดๆคิดชัดๆเห็นชัดๆจะรู้ชัดๆประชานาติรู้ตามความเป็นจริงชัดๆในอิริบทสีอยู่เดินนั่งนอนแต่พอมาในอิริบทย่อยท่านให้รู้พร้อม ซึ่อด้อธิบายไปเมื่อว่าเขาว่ารู้ชัดคือรู้เป็นจุดๆรู้เป็นเฉพาะที่ชัดๆแต่ถ้ารู้พร้อมนื่นหมายเขาว่ามันกระจายความาชัดออกไปทั่วทุกส่วนของร่างกายเท่าที่เราจะสามารถสัมผัสได้เช่นขณะนี้ถ้าเรารู้ชัดในการยกมือสติรู้ชัดก็ที่มือยกนี่เขาว่าเป็นประชานาติ ถึงเธอนั่งหลับเราก็จะไม่รู้ชัดแหละเพราะตาเราหลับเราก็จะไม่เห็นอาการของมือมันเคลื่อนมันไหวได้ชัดมันก็จะชัดอยู่ในมนุจิตของเราซึ่งมันไม่ได้ชัดตามความเป็นจริงลักษณะชัดอยังไงเป็นชัดที่เบลือล้อเลมัวมไม่ชัดสว่างเหมือนกับเราเปิดไฟเราต้องวิจัยเข้าไปตรงนั้นนะ แต่ถ้าเราเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นชัดแบบล่งๆแช้งๆซึ่งมันเป็นสภาวะความจริงที่เราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่มันจริงเกินไปจิตเขาเลยรับไม่ได้จิตของเราที่จิตที่อ่อนแออยู่มันก็จะรับความจริงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมันก็จะไปอยู่ในความไม่รู้ความสงบความนิ่งความสงัดซึ่งเราชอบแล้วนิ่งแบบไม่รู้เขาเรียกโมห ะ, ะโมหะไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่มันรู้แบบไม่แจ้ง รู้แบบไม่ชัดรู้แบบไม่แจ้งรู้ในมิติเดียวคือมิติข้างในแต่มิติข้างนอกไม่รู้หรือไม่รู้มิติข้างนอกแต่วินิข้างในไม่รู้ไม่สัมพันธ์กันเพราะนั้นเองการภาวนาจึงเป็นเรื่องที่มีความละเอียดสูงถ้าเราเรียนทาแบบไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่วิเคราะห์วิจัย เราก็จะทําแบบผิดพลาดได้ผลถูกบ้างผิดบ้างอย่างนี้ซึ่งไม่แน่นอนนั่นในแง่ของเปลี่ยนจากไตรลักษณ์ท่านบอกให้ศึกษาซื้อก่อนถึงจะเปลี่ยนเป็นไตรสีขาศีและสีขาพอมาถึงหมดสมาธิท่านไม่ใช้คําว่าสมาธิสีขาท่าใช้คําว่าจิตตะสีขาถ้าจะให้จิตเป็นสมาธิที่ถูกต้องต้องศึกษาดูอาการของจิตเรียกว่าจิตตะสีขา แต่เมื่อมันเผลอคิดเผลอนึกเผลอจินตนาการไปแล้วก็ดูอาการของมันว่าเป็นอย่างไรแล้วไปศึกษาในส่วนนั้นเรียกว่าปัญญาสิขาเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสิขาได้ต้องมีการผ่านธรรมวิจัยะคือวิจัยลงไปวิเคราะห์ลงไปวิเคราะห์วิจัยแบบพดชุงไม่ใช่เป็นวิการวิเคราะห์วิจัยแบบหลักของปริยัติที่ คือคิดถรึกตรองตั้งโจทย์ทักท้วงไถ่ถ า, ถามไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> แต่เป็นการสัมผัสลงไปเท่าที่มีตระหนักรู้ความจริงที่ปรากฏในร่างกายเท่าที่มีเท่าที่มีแต่ในขณะเดียวกันจะทำยังไงให้มันชัดทั้งเป็นส่วนเฉพาะจุดและชัดทั้งหมดทั้งส่วนทั่วตัว ถ้าชัดเฉพาะจุดเรียกว่าสติถ้าชัดทั่วตัวเรียกว่าสัมชัญญะถ้าชัดข้างในเข้าใจชัดเรียกว่าปัญญามันจะสัมพันธ์กันทั้งสมส่วนถึงลักษณะนี้เราไม่ค่อยแยบคายในการได้ลึกรู้เพราะเราอยู่ใต้โมหะใต้อวิชามายาวนานดังนั้นเราก็ไปอยู่กับความเคยชินเก่า เพะเวลาเราไปศึกษาลักษณะนี้ก็เรียกเป็นการมาฝึกสร้างร่องสมองใหม่คือให้มันชินแบบใหม่ชินแบบรู้เนื้อรู้ตัวที่แล้วมามันชินแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันก็ทําให้เราจิตของเราไหลลื่นไปกับอันนี้อย่างรูขังหน้าตาตลอดแต่พอเรามาภาวนาเ น, นี่ยก็เรามาทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงตรงนี้เอง ท้าที่เปลี่ยนแปลงอำนาจของความเคยชินให้เป็นความรู้เนื้อรู้ตัวส่วนจะเปลี่ยนแปลงได้มากหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับศรัทธาและความเพียรของเราศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นมีความ อ, าอยากรู้ใครรู้มีความฝากักใยมีความใ่รู้ในสิ่งที่เราจะทำเนี่ย แล้วมีความเพียรลงมือทดสอบลงมือทดลองลงมือกระทาลงไปตามหลักที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าทาด้วยลงมือด้วยอำนาจของสติสมาธิปัญญานี่คุณสมบัติของผู้ของนักศึกษากเขาเรียกอินสี่ห้าพอเราทาได้กขาเรียกว่าพระห้าที่เป็นส่วนหนึ่งของวิปัสสนาภูมิเพราะนั่นเองใน เวลานาทีที่ผ่านไปเนี่ยเราก็จึงอยากให้เป็นเวลานาทีแห่งการเรียนรู้ส่วนที่เป็นปัจจุบันธรรมเพราะเราอยู่กับอดีตธรรมอนาคตธรรมมานานแล้วแต่ปัจจุบันธรรมเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้อยู่ชัดๆถ้าอยู่ก็อยู่แบบไม่รู้แบบอยู่อยู่แบบไม่ชัดอยู่แบบเสพอยู่แบบเสวยอยู่แบบต้องการไม่ได้อยู่แบบเรียนรู้ และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น น, นั้นเองในจุดนี้เราลองมาตั้งต้นกันใหม่คนที่ยังไม่มีศรัทธาก็เราปลุกเราตัวเองให้เกิดศรัทธาการปลูกเราตัวเองให้เกิดศรัทธาแล้วได้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าโอ้ชีวิตเราได้ผ่านไปด้วยความสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างไปนรกบ้างขึ้นสวรรค์บ้างสลับกันอยู่อย่างเนี้ยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ฉะนั้นเมื่อเรามาพบกับคําสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราน่าจะบริหารจัดการชีวิตของเราให้ให้เข้าที่เข้าทางให้คงเช่นคงหวามากกว่านี้ไม่ให้มันสลับไปสลับมาลุกมลุ่ดอนขึ้นขึ้นลงลง ฟ, ฟูฟูแฟบแฟอย่างที่แล้วมาให้มันคงที่ระดับใดระดับหนึ่งด้วยการมาศึกษามันอย่างจริงจังชีวิตของเราก็จะสงบและมีความเ ย, อเยือกเย็นได้ด้วย โดยง่ายแล้วทำเรื่อยๆมันก็สงบเยือกเย็นไปเรื่อยๆความสุขก็เริ่มเติบโตความสุขเริ่มซึมลึกเข้าไปในจิตใจของเราเราก็ง่ายที่จะสุขเพราะเรารู้วิธีเพราะนั้นการวิปัสสนาคือการมาศึกษาวิธีหรือเทคนิคหรือมัคไม่ใช่มาเสพสวยว่าจะเอาสุขเท่านั้นจะเอาทุกเท่าที่จะเอา รู้อ น, นันรู้นี้ไม่ใช่แต่มารู้จักวิธีทาเพราะว่าสนามปฏิบัตินั้นคือในชีวิตจริงของเรานแหละแต่ว่าถ้าเราไม่รู้วิธีสนามปฏิบัติจริงของเราก็จะมีอยู่เฉพาะในวัดในเวลาที่ต้องการแต่พอเรารู้วิธีแล้วสนามปฏิบัติเราอยู่ทุกคนทุกแห่งที่มีการเคลื่อนไหวที่มีการรู้สึก เย็นร้อนอ่อนแข็งเค่งตึงเกิดขึ้นที่ไหนนั่นหมายถึงสนามรู้สึกสนามปฏิบัติมันก็มีอยู่ทุกที่ทุกแห่งอยู่แล้วนั่นคือความรวดเร็วและก้าวหน้าของการทำภาวนาถ้าเราจะมัวมารอทำอยู่แต่ในวัดในคอสในสถานที่ที่เรามาจัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปไหนอ่ะเพราะอะไรมันไม่พอแค่นี้มันไม่พอ แต่เรามาในคอร์สในสนามฝึกอย่างนี้เรามาศึกษาเทคนิควิธีเหมือนนักเรียนที่ไปเข้าโรงเรียนแต่ชีวิตจริงของนักเรียนไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเขาจะต้องไปออกชาไปใช้ชีวิตแต่ถ้าเราไม่เคยเข้าโรงเรียนนี้เราก็จะไม่รู้เทคนิควิธีที่จะไปทำนั้นเวลามาทําแล้วเราก็ไม่ได้มาเพื่อที่จะเอาที่จะได้แต่มาศึกษาให้เข้าใจนะเรียกว่าสมาทิธิให้เข้าใจให้ถูกต้อง เราเรียนเอาสมาธิินั่นเองที่แล้วมาเราเป็นสักยาิทิฏฐิบ้างมิจฉาทิฏฐิบ้างมานะทิฏฐิบ้างมันไม่เป็นสมาธิิสลับกันไปสลับกันมาอยู่งนั้นแต่พอเรามาศึกษาวิธีนี้เราจะเปลี่ยนสักยาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิหรือมานะทิฏฐิเนี่ยให้เป็นสมาธินะสมาธิเริ่มต้นอย่างไร คำจำกัดความหรือนิยามของสมาธิที่ตามองมค์มรรคก็คือรู้เห็นทุกเหตุให้เกิดทุกการดับทุกขและวิธีการดับทุกรู้เห็นปัญหารู้เห็นเหตุเกิดของปัญหาวิธีการการแก้ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหารู้เห็นความไม่สบายรู้ ที่เกิดของความไม่สบายการทำความสบายให้เกิดขึ้นและมีวิธีความการทำความสบายอันนี้คือเรียกว่าสมาธิิเราเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นเหตุเกิดทุกข์และเป็นที่ ทำให้เกิดสุขและวิธีทำสุขให้เกิดขึ้นได้นี่คือเรืสางสมาทิที่แต่ถ้าหากเราไปเห็นตัวร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรามันก็จะเป็นที่ตั้งของทุกตลอดไปเหมือนกันส่วนใหญ่เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของเราเราอย่างนน้นเราอย่างนี้กูอย่างนั้นกูอย่างนี้ฉันอย่างนู้นฉันอย่างนี้ผมอย่างนั้นผมอย่างนี้อันนี้คือสมมติเราไปติดตรงนั้น แต่เราไม่เคยเห็นร่างกายจีเจี๊ยบของเราจริงๆว่ามันเป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นที่เกิดของทุกข์และทุกข์นี้ดับได้ทําให้เกิดความสบายขึ้นได้แล้วมีวิธีที่จะทําให้สบายขึ้นได้และต้องทํำตลอดเวลาด้วยนะทุกข์และเหตุเกิดทุกข์เรียกว่ารูปทําความสบายหรือการดับทุกข์หรือวิธีทําความสบายให้เกิดขึ้นเรียกว่ามรรคเรียกว่านามนะเพราะฉะนั้นเราดูที่รูปที่นามเพืดู เห็นเป็นอริยสัตว์ ส, สี่นั่นเองเพราะนั้นย่อๆคืออริย ส, สัตสีก็คือรูปกับนามดูกายกับใจดูรูปกับนามมันเองดูในลักษณะไหนดูลักษณะที่มันเป็นทุกข์เราแก้ทุกข์เรื่อยๆนั่นแหะการแก้ทุกข์เรื่อยๆนั่นแหละก็เรเียกว่าทําความสบายให้เกิดขึ้นก็เป็นนิโรธกรรมง่ายๆแต่ทําไมเราทําให้มันยากก็เพราะเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นนั่นเองนะ ร่างกายนี้มันมีทุกมีเหตุเกิดทุกข์ก็จริงแต่ความไม่ทุกข์มันก็มีเหตุเกิดของความไม่ทุกข์มันก็มีอยู่ซ่อนอยู่ข้างหลังนิดเดียวแหละแต่โดยที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติมันก็ไม่เห็นฉากหลังของมันอีกด้านนึงเราเห็นเรียนด้านเดียวะอีกด้านหนึ่งเรายังเมื่อเลยพลิกขึ้น่ะเราเห็นแต่หน้าก้อยแต่ไม่เห็นหน้าหัวอ่า พอพลิกกลับปั๊บนี่มันก็จะเห็นทั้งสองด้านชีวิตมันเหรียญสองด้านเหรียญสองหน้า น, นั่นเองเราจะเอาหน้าไหนเราจะเอาหน้าบวกหน้าลบเอาหน้าสุขหรือหน้าทุกหน้าสบายหรือหน้าไม่สบายเลือกได้แต่ถ้าเราพลิกไม่เป็นเราก็เลือกไม่ได้นั้นมาที่นี่เรามาศึกษาวิธีพลิกใจพลิกกายที่มันทุกมานานที่มันมีปัญหามานานพลิกไปอีกด้านหนึ่งที่มันไม่มีทุกไม่มีปัญหาเนี่ย ให้เจอเราทําได้ทุกทุกเวลาด้วยดังนั้นเองเราจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องเนี้ให้ชัดเจนไว้เสมอเพราะฉนั้นศึกษาแต่และรุ่นเน่ยเรียนจบไปแล้วไม่ได้หมายความว่าได้วิชาจดจําไปอย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราต้องการให้เรานะไปพลิกเปลี่ยนชีวิต จากความเคยชินอีกแบบหนึ่งแบบไม่รู้เนี่ยให้เป็นความเคยชินแบบรู้เนื้อรู้ตัวเราต้องการเป้าหมายจุดนั้นเราจะได้หรือไม่ได้เราจะจบหรือไม่จบไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่เรื่องสำคัญเราพลิกเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะันเป็นเป้าหมายของการศึกษาในหลักสูตรอันนี้ในวิธีการอันนี้นะและ้วเองก็อยากจะให้เราทั้งหลายเนีซึ่งเป็นาธาตุของความอยากธาตุ ท, ทังความ ยึดมานานไม่รู้กี่พวกี่ชาติกี่หมื่นกี่แสนชาติแล้วเนี่ยมาถึงณวันนี้เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงมันได้บ้างไหมได้ถ้าเรามีศรัทธาและมีความเพียรและศรัทธาและความเพียร น, นี้ต้องเป็นหลักเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวอาตาปีศรัทธาและความเพียร น, นี้เรียกว่าอตาปี สติมาสัมปชา n o สัมปช a นสติมานี่เป็นสติสมาธิปัญญานั่นเองเพราะนั้นรวมพระทั้งห้าหรืออินทรีห้าก็มารวมอยู่ในสข้อคืออาตาปีสัมปช ANO สติมาที่เราสวดมามิกี่กายะกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปช ANO สติปัญญาวินัยโยเกอพิชฌาถุมณสังที่เราสวดกันเวลาเราสวดสติปัฏฐานสี ดังนั้นเองก็จึงไม่อยากจะให้พวกเราเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้นานเกินไปเพราะอาตมาเสียเวลามานานเราพวกเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเสียเวลาแบบอาตมาเหมือนกันเพราะอะไรพระสาริบุตรพระโมคคัลลานะไม่จาเป็นต้องเสียเวลาทั้งหปีแบบพุทธเจ้าเสียเวลาเราพบพระพุทธเจ้าเพียงห้าวันเจ็ดวันสิบกว่าวันทัดก็ได้บรรลุธรรมแล้วไม่ต้องถึง6ปีอย่างที่พพุทธเจ้าเสียเวลามา ถ้าดอกบวอายุยี่สิท่านก็นมารู้เรื่องนี้จริงๆอายุสามสาทั้งหปีแต่พอพระส า, นะสาริบุตรโมคลาณะยะสักเพื่อบุตรองค์ครีมานพวกนี้มาพบพระพุทธเจ้าเพียงไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงก็ได้บรรลุธรรมได้เห็นธรรมสว่างเหมือนกับพระพุทธองค์เหมือนกันพวกเราก็เช่นเดียวกันแสวงหา ม, มาทุกๆผิดๆตลอดชีวิตเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้เวลาย้อนคืนเท่ากับที่เราเสียเวลามาเหมือนกัน เหมือนเราไปในถ้ำซึ่งมันมืดมิดมาเป็นล้านๆปีเนี่ยแต่พอเราไปด้วยไฟฉายไปด้วยสปอตไลท์เนี่ยความมืดในถ้ำมันจะหายไปทันทีถ้าเรากดสปอตไลท์ขึ้นทั้งทั้ที่มันอยู่มาเป็นแสนแสนปีแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องย้อนเวลาไปมากขนาดนั้นนะเพียงแต่เราทําสิ่งตรงกันข้ามมันให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองพลิกหน้าหนึ่งเป็นหน้าหนึ่งเท่านั้นเอง วันนั้นเราจะพลิกได้ไหมพลิกความมืดเป็นแสงสว่างได้ไหมนะพลิกความไม่สบายนะให้มันสบายได้ไหมพลิกตลอดเวลาแล้วนั่งเนะี่ยสักพักมันไม่สบายก็พลิกไปความสบายก็เกิดขึ้นสักพักมันไม่สบายอีกก็พลิกไปหาความสบายจนกระทั่งว่านิสัยแห่งการปรับเปลี่ยนจาก ทุกไปสุขจากสุขไปทุกเนี่ยให้มันเป็นนิสัยตรงนี้เรียกว่าความเพียรคือเพียรที่จะเปลี่ยนเพียรที่จะปรับเพียรที่จะแก้ไม่ใช่เพียรทำถ้าจะเป็นการทําคือการทำในการปรับแก้นั่นเองอันนี้คือวิริยะนะเรยวสัมมาวายามะคือหนึ่งระวังในสิ่งที่เราไม่ต้องการคือความทุกข์ไม่ให้เกิดอสองเมื่อมันเกิดเราต้องปรับแก้ทันที สามสร้างคุณภาพที่ต้องการเกิดขึ้นคือความสบายสีํดำรงความสบายนั้นให้มีประโยชน์ไม่ใช่เป็นเสพทำให้เกิดประโยชน์คือในช่วงที่มันสบายเราต้องไปศึกษาในรายละเอียดที่ลึกไปกว่า น, นั้นอันนี้คือหลักที่เราใช้สัมาวายามะแต่นั่นเองก็ในช่วงที่เรามาศึกษาตรืงนี้ จึงไม่อยากจะให้เราเสียเวลาและณวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยความตั้งใจของเราจะต้องเพิ่มขึ้นเมื่อความตั้งใจในการศึกษาเพิ่มขึ้นความสงบเงียบเราก็จะมากขึ้นเราจะไม่เอะเว้ยวายวุ่นวายต่อกันแลยกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกันเราอยู่หลายคนก็ให้มันอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนอยู่หลายคนนะ เพราะฉะนั้นเวลาเรามีน้อยเพราะันการศึกษาของเราจะต้องก้าวไปอย่างชัดเจนว่าวันนี้เกิดอะไรวันนี้เราเห็นอะไรได้บ้างวันนี้เราเข้าใจอะไรได้บ้างอย่างน้อยวันนี้เราน่าจะเข้าใจเรื่องสมาธิถี่ได้แล้วเข้าใจว่าชีวิตนี้มันเป็นที่ตั้งของทุกมันไม่ใช่เป็นที่ตั้งของเราชีวิตนี้เป็นที่ตั้งของเหตุว่าทุกนี้มีเหตุ ชีวิตนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนให้มันไม่ทุกได้และมีวิธีทําได้ด้วยเนี่ยให้เข้าใจอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นชีวิตจึงเป็นกระบวนการการศึกษาชีวิตจึงไม่ใช่ของเราชีวิตเป็นผลพวงของธรรมชาติของไตรลักษณ์เหือนิจังทุกอนันตตาสืบทอดกันมาเป็นหลายล้านปีตั้งแต่มนุษย์คุณแรกเกิดขึ้นจนมาถึงเรานี่แหละแต่เนื่องจากบรรพบุรุษของเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้มาศึกษาทางนี้ เราจึงเป็นผลพวงวิบากกรรมของท่านโตมาเสพเสวยสุบางทุกข์บางราคะบางโทสะโมหะบัง้งรุมเรา้าเราก็ตกเป็นทาสรับใช้มันตลอดชีวิตมันไม่คุ้มกันรับใช้ลูกรับใช้ผัวรับใช้เจ้านายรับใช้ระบบถ้าหากว่าเราจะพอใจรับใช้อย่างนี้ตลอดไปก็เราไม่รู้อีกอ ก, อ ก, กี่ล้านปีเราจึงพบพุทธเจ้าอีกนะเพราะฉะนั้นเราพบคําสอนของท่านก็เหมือนพบตัวท่านนั่นแหละ เราก็ต้องรีบตักรีบทวงรีบศึกษาให้เข้าใจเพื่อจะทําให้ภพชาติมันสั้นลงอย่างน้อยให้รู้แล้วว่าเราจะเกิดอีกกี่ชาติอ่ะพระโสดาบันอย่างตําสุดเกิดไม่เกิน เ, เจดชาติานี้เป็นต้นอย่พระอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดอีกสามารถบรรลุทาได้ในชาตินี้เลยพระหันก็บรรลุทําได้ในช่วงระยะใกล้นี้ได้เลยรู้นะอย่างกลางก็ การเวียนว่ายใจเกิดก็ไม่ควรจะเกินสักสามชาติอย่างเร็วที่สุดก็ไม่ควรจะเกินหนึ่งชาติอย่างนี้เป็นต้นให้รู้ว่าเราจะเกิดอีกกี่ชาติทีนี้มันเรื่องไกลตัวเกินไปถ้ากล่าวอย่างนั้นไล่ตัวมานิดหนึ่งว่าความคิดเกิดในใจของเรากี่ครั้งเราถึงจะรู้ทันนะให้รู้ทันตรงนี้ก่อนความคิดเดียวนะั่นแหละเกิดถึงเจ็ดครั้งเราเราเพิ่งรู้ตัวก็ยังดีกว่าไม่รู้ บางทีเราคิดทั้งวันไม่รู้เลยว่าเราคิดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเราไม่มีโอกาสเลยที่จะได้กําหนดตามรู้การเกิดการดับของตัวเองเพราะฉนั้นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นรูปธรรมมันต้องไปที่นามธรรมานี้ก่อนถ้าเราไม่สามารถรู้เท่าทัน <c oughs> ตัวนามธรรมานี้ได้เราไปแก้ไขรูปธรรมแก้ยังไงก็ไม่ตกคุณอาจจะเบื่อชีวิตไม่อยากเกิดแต่คุณไม่รู้จักเหตุว่าเหตุของการไม่เกิดทําอย่างไรไม่รู้จัก เบื่ออย่างไรไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดเพราะเราไม่รู้จักแก้ไขที่เหตุนะแต่นั่นเองก็เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เราอย่าทำเล่นเป็นเรื่องจริงเราอย่าทำเล่นถ้าเราไปเล่นกับของจริงเราจะทุกปังตายและถ้าเราไปจริงกับของเล่นเราก็ทุกปางตายเหมือนกันแตงนั้นเองเราจะทำอย่างไรก็ต้องมาศึกษามาเรียนรู้ให้เข้าใจตามลำดับ นะอันไหนไม่รู้ไม่เข้าใจในช่วงที่อยู่ที่นี่ถามอาตมาได้ทุกแง่ทุกมุมม า, า, า, ามีประสบการณ์มาอย่างน้อย2ี่สบสาสิปีนี่มากพอที่จะให้คำตอบที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรนะ <c oughs> อันนั้นเองก็อ <c oughs> นันอยู่ไหนอย่างนั้นก็เราตามพรนะ์หนะ่อยาพรน่ นั่นก็เราต้องพยายามศึกษาเรื่องนี้ให้ได้ถ้าเกิดมาครั้งหนึ่งนะก็เกิดเป็นมนุษย์ีแสนยากนะแสนยากกว่าจะได้เกิดเอานี่ไปเลยอันนี้ไปให้นนะใหเปลี่ยนฐานเกิดมาแสนยากถ้าเราใช้ชีวิตที่มันได้มาโดยยากเนี่ยมันมีค่าเพียง ได้อยู่ได้กินได้เลี้ยงลูกเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียแล้วก็ตายไปเนี่มันจะมีค่าอะไรชีวิตนี้นะทำไมเราไม่พัฒนาให้เป็นอริยบุคคลชั้นหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปอย่างที่พระอริยเจ้าเขาทํากันให้มันคุ้มค่าต่อการเกิดมาเกิดมาแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนัแหล้วอันนั้นคุ้มค่าที่สุดถ้าเกิ ด, า ม, าดา ม, มาแล้วก็เหมือนนักเรียนสอบตกต้องเรียนซ้ําชั้นอีกนักเรียนซ้าชั้นแค่ไม่กี่ครั้งมันก็ผ่าน แต่เรามาเกิดซ้ําชั้นไปร้ยร้อยครั้งเนี่ยเราเป็นนักเรียนที่ดีลเลยวหรืยอยังคิดถึงนักเรียนนย่ถ้าเป็นนักศึกษาสองไม่เกินผ่านไม่เกินผ่านสามครั้งเขาก็ไล่ออกแล้วแต่ของเรายนเรียนว่าแต่เกิดไม่รู้กี่หมื่นครั้งแล้วใครจะมาไล่เราเพราะเราตกเป็นธาตุของการเกิดแก่เจ็บตายให้คิดตระหนักถึงเรื่องนี้ให้ดี คิดในสิ่งที่เป็นรูปธรรมใกล้ๆตัวเนี่ยไม่ต้องไปคิดถึงภพชาติอะไรข้างหน้าที่เรามองไม่เห็นน ะ, นะถ้าเราจะทดสอบตัวเองง่ายๆวันนี้เราคิดขึ้นมาในใจของเราครั้งที่เท่าไหร่ถึงจะรู้ว่าตัวเองคิดเนี่ยลองดูวันนี้ถ้าหากว่าคนไหนไม่เกินเจดครั้งนะรู้ตัวซื้อก่อนเนี่ยแสดงว่าภพชาติมันสั้นเข้ามาละ แต่บางทีคิดไปครึ่งวันเพิ่งรู้ตัวว่าคิดอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ไหวอะมันเยอะขึ้นไปแล้วไม่รู้ว่าวันคิดกี่หนอย่าว่าแต่วันครึ่งวันครึ่งวันกอยังเยอะไปเอาชั่วโมงน่ะถ้าเราตามรู้จิตของเราจริงจมันคิดกี่เรื่องตามตรงนี้ให้ได้ก่อนชั่วโมงมันเยอะไปเอาครึ่งชั่วโมงคิดกี่เรื่องครึ่งชั่วโมงเยอะไปเอานาทีหนาทีสิบนาทีคิดกี่เรื่องตามรู้ตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าตามรู้ตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเรามีศรัทธาและความจริงใจที่จะรู้เรื่องนี้ แต่ถ้าเราไม่สนใจเรลยเป็นวิชาการหลวงพ่อมาพูดแล้วก็จบแล้วก็ไปที่อื่นอันเสียเวลาทั้งเราทั้ ง, ขงเขาธรรมา ก, ก็เสียเวลาด้วยโยมก็เสียเวลาด้วยเพราะมันต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการพบกันก็ของเราก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะมันใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ถ้าการพบกันในครั้งนี้มีความหมายว่าเราทําให้รู้เนื้อรู้ตัวเท่าทันความคิดมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งมันคิดร้อยเรื่องมันเริ่ม มารู้ถึงแปดสิบเจ็ด1ิบหกสิห้าสิบสามสิสิบเรื่องเนี่ยนั้นแสดงว่าเราการพบครั้งนี้เรามีความหมายในการตัดพบตรดชาติให้สั้นลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับฐานหมดเกลี้ยงเลยครับโอเคโอทั้ง2ทั้งสองางโอเคงนไม่ต้องแล้วนั่นเองก็อยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ตระหนักรู้เรื่องนี้ให้ดีว่าการพบธมะไม่คไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ปีหนึ่งจะพบกันครั้งหนึ่งหรือไม่ได้พบเลยนี่ถ้าไม่มีเหตุที่เราได้พบกันมันก็จะไม่มีเหตุที่จะมานั่งคุยกันอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพบกันแล้วเนี่ยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายนักเราจะไม่ให้คุณค่าของการพบกันสิ่งใดที่บอกไปแล้วสิ่งใดที่สั่งไปแล้วสิ่งใดที่ขอร้องแล้วเนี่ยขอให้ทํานะเพื่อที่เราจะได้คุณค่าสูงสุดของการพบกัน อ, อันไหนที่ บอกแล้วสั่งแล้วไม่ได้ทำมันก็อาจจะเป็นบาปเกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะเราจะทำให้หละหลวมในสิ่งที่เป็นข้อระเบียบต่างๆได้นะดนั้นเองก็อยากจะให้พวกเราได้เฉพาะวันนี้ให้มีความระมัดระวังสำรวมมากขึ้นนะจากที่เราได้ดังกึงก่งกลงกึง่งกลางมาวันสองวันก็ถือว่าเป็นธรรมดาเพราะคนใหม่ แต่ณวันนี้เนี่ยเราเริ่มรู้ตระหนักรู้แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของชีวิตมันจะต้องมีการโฟกัสตัวเองเป็นพิเศษเหมือนนักถ่ายรูปตอนแรกที่ยังไม่เห็นคุณค่างความชัดไม่ชัดของรูปก็ได้กล้องก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายทิ้งไปเรื่อยๆแต่นักถ่ายรูปที่ดีจะต้องมีการศึกษาแต่ละภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยอันไหนชัดอันไหนไม่ชัดไห น, นเป็นมุมที่ดีอันไหนเป็นมุมที่ไม่ดีเริ่มมีการศึกษาเริ่มมีการเลือกภาพ และเริ่มมีการจัดสรรในการถ่ายภาพแต่ละครั้งขึ้นมาเราก็จะได้ภาพที่ดีชัดเจนขึ้นเรื่อยเื่อยเหมือนกันเรามาที่นี่เรามาเหมือนกับถ่ายภาพกิจกรรมที่ผ่านไปแต่ละวันวันหนึ่งร้อยภาพอะไรบ้างภาพของการตื่นนอนเราชัดเจนไหมภาพของการออกกำลังกายเราได้สาระตรงไหนชัดไหมเราได้สาระมันชัดไหมภาพของการสวดมนต์ เราได้ภาพตรงนี้ชัดไหมจําได้บ้างไหมเข้าใจได้บ้างไหมเราได้ภาพของการนั่งฟังทำฟังแล้วเข้าใจได้ไหมชัดไหมภาพเหล่านี้ต้องถูกตรวจสอบให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันแต่วันแล้ววันแล้วกิจกรรมเหมือนเดิมแต่ก็เบลอมัวไม่ชัดสับสนเหมือนเดิมเราก็เป็นนักเล่นกล้องเหมือนเด็กถายทิ้งๆไปไม่ใช่ผู้ที่จะต้องเอาภาพเลือกภาพภาพที่เราถ่ายไปแต่ละครั้งต้องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ต้องเชำนิชนานาญขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ร้อยภาพผันภาพก็เหมือนกันทุกภาพถ่ายทิ้งเสียของเรามาที่นี่เรามาไม่ใช่มาทิ้งเวลาไม่ใช่มาเสียของในเรื่องที่เราดำรงอยู่และสถานที่ตรงนี้มันถูกจัดสรรเอาไว้เพราะกิจกรรมอย่างนี้ป่าตัวนี้ก็จะสร้างมาได้ใช้เวลา 20-30 ปีสล า, าลังนี้ก็จะสร้างมาได้ใช้ทุนมหาศาลของใช้ไม้สอยตรงนี้ก็จะได้มาแต่ละชิ้น เป็นศรัทธาและความตั้งใจของผู้บริจาคมหาศาลดังนั้นทุกสิ่งเหล่านี้รอบๆดาวเลยมันมีค่าควรแก่การใช้สอยที่ที่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มาอยู่มาเล่นแล้วก็กลับไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะเป็นหนี้ได้นะดังนั้นขอให้ตั้งใจตั้งแต่วันนี้ไปนะโทรศัพท์คนไหนที่ม้อามาต้องเอามาเพราะเราจะได้ไม่รบกวนแล้วก็จะไม่มี เจ้ากรรมนเวรมามากวนเราได้นะเราก็จะพยายามเอานั้นเองในวันนี้การปฏิบัติเราก็จะเข้มงวดขึ้นกนะานสํารวมระวังการพูดจาก็จะเบาลงการเคลื่อนไหวก็จะนิ่มนวลลงไม่ชงชางเหมือนเมื่อวานนะการเคลื่อนการลุกเรารู้แล้วว่าการเคลื่อนการไหวที่มีสตินั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้อง ปฏิบัติในในคอร์สนี้ถึงมันจะยากอย่างไรก็ต้องพยายามดูแม้ว่าเราจะได้สั่งสมความยาพายกระโดกกระเดกมาตลอดชีวิตแต่ว่าพอมีการพลิกเปลี่ยนมันคนที่พลิกเปลี่ยนแบบกับข้างไปเลยไม่ใช่พลิกเปลี่ยนแบบยกแล้วก็วางยกแล้วก็วางมันน่าจะพลิกไปอีกด้านหนึ่งเลยนะเหมือนเรายกไม้ยกหินถ้าหากว่าเราไม่มีกาําลังตัวที่ได้แค่นี้สลุกทิท้เแล้สลุกิ้แล้วก็ลุก แต่มาที่นี่เรมีกำลังพอที่จะพิชไปะอีกด้านหนึ่งเลยนะมันง่ายกว่าไหมเราไม่ต้องมาเสียเวลายกขึ้นโยกลงมีหลายหลายครั้งนะนั้นก็ขอให้ตั้งใจและตั้งใจให้ถูกต้องถ้าตั้งใจถูกต้องมันจะไม่เครียดมันจะไม่เกลง็งมันจะไม่รู้สึกว่าถูกบังคับหรือทรมานตั้งใจให้ถูกต้องมันจะเต็มไปได้วยความกระตือรือร้นสนุกสนานและเบิก บ, บานนั้นถูกต้องนะ อันนั่นเองเราเราช่วยกันทำยังไงให้มันเกิดการถูกต้องและผ่อนคลายและต่อเนื่องเราช่วยกันทําระดมสติปัญญาทวกเท่า ท, ที่เรามีอยู่นี่แหละช่วยกันนะช่วยกันในแง่ของการภาวนาไม่เหมือนกับช่วยกันในการใช้แรงงานถ้าช่วยกันในการใช้แรงงานนะร่วมไม้ร่วมมือกึงกลางกึงกล ง, กงสนุกสนานอีกแบบหนึง่งแต่ร่วมมือในการภาวนาคือรักษาความสงบตัวใครตัวมัน ไม่รบกวนกันโดยไม่จำเป็นไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นโดยไม่จำเป็นมีการเคลื่อนไหวอย่างะระมัดระวังและสำรวมถ้าเพลอไปตั้งสติใหม่ถ้าเพลอไปตั้งสติใหม่ถ้าเพลอไปเพลเรียวไปตั้งสติให้ช้าลงเพล่พูดไปตั้งสติให้เบาลงเพล่ดังไปตั้งสติให้นุ่มนวลลงลักษณะอย่างเงี้ยไม่มีใครที่ทำแล้วได้สำเร็จ ทันทีนะแต่เขค่อยปรับไปแก้ไปแก้ไขไปปรับไปแก้ไขไปนั่นหมายความว่ามีสัมมาวายามะมีความพยายามที่จะทําให้ถูกมีความพยายามที่จะทําให้เป็นไปตามที่ต้องการอยู่มีความพยายามอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก็มีความพยายามอยู่เราอาจจะลุกนั่งสักหครั้งเนี่ยมีความพยายามให้มารู้ตัวได้สักสามครั้งก็ยังดีเรา จ, จะเดินไปถึงสิบเก้าพยายามจะรู้ตัวสักสามเก้าสี่เ้าก็ยังดี นั้นหมายความมีความพยายามเกิดขึ้ น, นเราจะไม่เสียเวลาคุณภาพและคุณธรรมที่เราจะได้ตรงเนี้มันมีประโยชน์มหาศาลจะทําให้เราเย็ยนลงจะทำให้เราเรียบร้อยลงจะทำให้เรามีการใคร่ควรวนมากขึ้นก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดทําให้ความผิดพลาดต่างๆความวร่าร้อนต่างๆลดลงและคนรอบข้างเราจะสัมผัสได้ เราจะมองเห็นงานทุกชิ้นเป็นสนามปฏิบัติเราจะมองไม่ไม่ได้มองเห็นเป็นภาระเหมือนเมื่อก่อนอเมื่อเราเห็นงานทุกชิ้นเป็นสนามปฏิบัติความขยันหมั่นเพียรความเอาใจใส่สิ่งนั้นก็จะมีมากขึ้นเช่นเรากลับไปเราอาจจะกวาดบ้านเมื่อก่อนกวาดให้มันเสร็จ เพื่อจะรีบไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแต่พอเรากลับไปตรงนี้เรากวาดอย่างรู้สึกตัวกวาดเพื่อให้รู้สึกตัวมันจะเสร็จไม่เสร็จจะเสร็จเมื่อไหร่ศาสตร์หรือไม่ศาสตร์มันมีสัญชาตญาณที่จะศึกษาอยู่แล้วเรากลับไปนี่เราอาจจะไปทําครัวทํากับข้าวเมื่อก่อนทํำกับข้าวเพื่อให้มันอร่อยเพื่อจะให้มันเสร็จทันเวลาแต่พอเรากลับไปนี่เราเปลี่ยนใหม่เราทํากับข้าวอย่างรู้เนื้อรู้ตัวแต่ลําดับ การเคลื่อนไหวให้ชัดเจนนี่คุณภาพใหม่ของชีวิตที่เราจะได้เรากลับไปนี้ผ้าเสื้อที่มันเคยหมุกมุ่นสุนสุกไม่เป็นระเบียบเรามีความรู้สึกตัวพอใจที่จะนําไปซักอย่างรู้สึกตัวนําไปรีดนําไปพับเก็บให้เรียบร้อยอย่างรู้สึกตัวและมีความพึงพอใจในกิจกรรมนั้นๆถ้าสามารถลําดับกิจกรรมที่เราไปทำที่บ้านทุกอย่างได้อย่างเนี้ย คุณภาพของชีวิตนี่มันจะเพิ่มขึ้นมากมายไม่ต้องใช้เวลาเสียเวลาอย่างที่เราอาตจจมาเสียมาก็ได้พระสารีบุตรพระโมคคลลานะอาจจะไม่ต้องเสียเวลาทั้งหปีอย่างพุทธเจ้าเสียเวลามาก่อนตรัสรู้แต่ใช้เวลาเพียงห้าวันเจ็ดวันสิบวันท่านบรรลุธรรมก็ไม่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบถือว่านั้นคือได้รับการกันกรองมาดีแล้วก็มาใช้อันนี้ก็เหมือนกันความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่มากันกรองได้ ประสบมาเนี่เอามากันกองมาเป็นตัวภาคปฏิบัติได้เลยพวกเราอาจสาวันหวันอาจจะเข้าสัมผัสสภาวะปัจจุบันธรรมได้ชัดเจนขึ้นทานั้นเองเานั้นเองเรื่องเรือนี้ไม่ใช่เรื่องยากสิ่งไหนที่เป็นเรื่องยากที่มนุษย์เข้าถึงไม่ได้พุทธเจ้าจะไม่ตรัสสอนสิ่งไหนบอกไปแล้วสอนไปแล้วมนุษย์ไม่เข้าใจไม่ได้พุทธเจ้าจะไม่สอนที่ท่านยืนยันไว้มันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ทําได้นะ่ะ นะัเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่นไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่จริงแบบไม่รู้จริงแบบเข้าใจถ้าจริงแบบเข้าใจมันจะเห็นประโยชน์เช่นเราทุ่มเทชีวิตเนี่ยหาเงินหาทองทั้งชีวิตจะทุกข์ยากลําบากขนาดไหนจะอดมือกินมือขนาดไหนขอให้ดึได้เงิ น, ไ ด, งนได้ทองมาใช้เนี่ยเพราะเราเห็นประโยชน์ของมันว่าประโยชน์ของมันสามารถตอบสนองความต้องของของเราต้องการของเราได้ทุกเรื่องเราถึงทุ่มเท แต่ถ้าเราเห็นสติสัมปชัญญะเนี่ยเสมือนเป็นอริยสัพย์อันประเสริฐอริยทรัพย์อันยอดเยี่ยมเนี่ยเราก็น่าจะทุ่มเทมากกว่านั้นเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้เนี่ยมันจ่ายแล้วก็หมดจ่ายแล้วก็หมดจ่ายแล้วก็หมดหาใหม่เรื่อยไปแต่ถ้าเป็นอริยทรัพย์คือสติสัมปชัญญะและปัญญาเนี่ยมันเป็นการยิ่งจ่ายิ่งเกิดยิ่งกายยิ่งงอกยิ่งใช้ยิ่งงอก เหมือนกับเศรษฐีที่เขามีเงินยิ่งจ่ายยิ่งได้ยิ่งจ่ายยิ่งเกิดนะเพราะเขารู้วิธีเราก็เหมือนกันมารู้วิธีว่าการหาอริยทรัพย์ยิ่งใช้สติสติก็ยิ่งเกิดไม่ใช่ยิ่งใช้สติก็ยิ่งหมดสติยิ่งใช้สมาธิสมาธิก็ยิ่งเกิดยิ่งใช้ปัญญาปัญญาก็ยิ่งเกิดนีหลักของอริยทรัพย์เป็นอย่างนั้นนะดังนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายตั้งสติให้ดีวันนี้นะ ในการขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวเราจะนุ่มนวลแล้วก็ช้าลงอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดอะไรเราตั้งสติว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เป็นจริงไหมเป็นประโยชน์ไหมเกิดประสานความรักความสมัครใกันไหมเนี่ยแล้วก็พูดออกไปพอตั้งสติได้ว่าออสิ่งที่พูดต่อไปนี้ไม่จริงไม่มีประโยชน์เป็นไปเพื่อรบกวนคนอื่นเราก็จะไม่พูดนี่เขาเรียกว่าใช้สติสมยะ สิ่งที่จะทําต่อไปนี้เป็นประโยชน์ไหมเป็นจริงไหมแล้วก็ประสานความรักสามัคคีเกิดขึ้นได้ไหมถ้ามันไม่เป็นทั้งสามเราก็หยุดการกระทำมันั้นเราแสวงหาว่าสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์เป็นความจริงแล้วเกิดความรักสามัคคีก็ทําในสิ่งนั้นไปก็จะเป็นประโยชน์สิ่งที่จะคิดต่อไปนี้ว่าเป็นความจริงไหมเป็นประโยชน์ไหมขอให้เกิดความรักสามัคคีตนเองและผู้อื่นไหมแล้วค่อยลงมือทําไปนะ ถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยการพูดการทําการคิดของเราถูกกั้นกรองเป็นชั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยความผิดพลาดเราจะน้อยลงความทุกข์เราจะน้อยลงนะแล้วชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยสาระแห่งความสุขความสงบและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมหาศาลนะแต่นั้นเองในช่วงของการฝึกที่นี่เพียงห้าวันเนี่ยถือว่าน้อยมากเพราะทำไมหลวงพ่อไปฝึที่ไหนต้องเจ็ดวันขึ้นเจ็ดวันสิบวันอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อที่จะ เก็บรายละเอียดได้มากและคนที่เข้าครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้รับการพัฒนาไปเรื่อยๆเลิกไม่ได้เมื่อเราหาเงินเป็นแล้วเนี่ยเราก็รู้คุณค่าของเงินเนี่ยมันก็อยากจะหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าเพราะเรารู้ประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติธรรมถ้าเรายังไม่เห็นประโยชน์เหมือนอันิสงุงเหมือนกับการเห็นประโยชน์อันสูงของเงินทองเราก็ทิ้งทําไปแล้วก็ทิ้งเพราะว่าไม่รู้ประโยชน์มันเป็นอย่างไร บางทีเาตาเราไม่ถึงก็ได้เรื่องเหมือนเหมือนไก่ได้พลอยลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาให้ดีว่าเราจะต้องเป็นคนตาดีหรือว่าเป็นสัมมาธรรมาศักดสุขหรือปัญญาจักดสุขให้เกิดขึ้นเห็นคุณค่าของชีวิตที่เป็นความสงบสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสงบสุขชั่วคราวนะจะความสงบสุขชั่วคราวเราก็เที่ยวได้เที่ยวหาอยู่ยงนั้นไม่จบ แต่เป็นความสงบที่แท้ทิงถาวรหาครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดไปนั่นคือการเปลี่ยนจากความไม่รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนได้มากได้น้อยไปดีคือเรื่องหนึ่ง น, นะดังนั้นจึงอยากจะให้พวกเราอย่ามาเสียเวลาตรงนี้โดยที่ไม่ได้อะไรนะเพราะแต่และคนที่ก็จะสั่นเวลามาได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยกว่าจะแวกบานได้เนี่ยต้องลาตรงนี้ต้องหยุดตรงนี้ต้อง ยอมเสียเวลาตรงนั้นเพื่อที่เอามาใช้กิจกรรมวันนี้เมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นประโยชน์สมกับที่เราเสียสละกับเวลาที่เราได้มาเราต้องออกจากครอบครัวออกจากความสะดวกสบายออกจากที่นอนหมอนมุ้งที่สบายมาอยู่แบบทุกๆยากๆเสียสละจาะหารการกินที่ถูกปากถูกคอที่บ้านเมื่อกหารการกินตามที่เราเห็นเป็นการเสียสละเป็นการลงทุน จากการที่เราได้ร้อนก็าอาบอยากก็ได้กินที่บ้านแต่มาที่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นคือการลงทุนเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ควรจะได้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงระดับใดระดับหนึ่งที่คนที่บ้านเราสัมผัสได้เมื่อก่อนเราจะเป็นคนจู้จี้จุกจิกพูดมากพอไปถึงบ้านเที่ยวนี้เราเป็นคนสงบสงเอมเตียมตัว พูดน้อยแค่นี้แล้วก็พอใจแล้วเราอยู่เป็นอยู่ที่บ้านเป็นคนสปกปรกลกลุงหลังไม่มีระเบียบแต่กลับไปนี้กลับเป็นคนสะอาดมีระเบียบอยู่ที่บ้านเราเป็นคนหน้าเบึง้งหน้าบูดแต่กลับไปเที่ยวนี้เราเป็นคนยิ้มคนหน้าตาสดใสอยู่เสมอนี่คือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีผลที่ยิ่งใหญ่ต่อเราชีวิตของเรานะ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่หลวงพ่อได้นํากล่าวมาถือว่าเป็นการตั้งต้นตั้งสติวันนี้สองวันที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมเท่านั้นเองยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรแต่ณวันนี้ไปเราน่าจะเริ่มต้นมีสติกันได้บ้างแล้วนะเท่า น, นั้นเองเวลาที่เหลือนี่ประมาณสิบห้านาทีเนี่ยเราจะออกไปเดินจงกรมรอบสราสักสองสารอบเพื่อที่ปรับท่าปรับขันของเราให้มีความปลอดโปร่ง ไปสู่อากาศที่ดีในยามเช้าก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์สูงสุดคือเราต้องไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายต่อไปด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ